เสือกับควายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่มีควายอยู่สี่ตัวพวกมันอยู่ด้วยกันเสมอพวกมันรวมตัวกันแล้วสัตว์ทุกตัวจะกลัวพวกมันและในหมู่สัตว์พวกนั้นก็มีเสืออยู่ตัวหนึ่งทุกครั้งที่มันอยากจะโจมตีควายมันกลับเห็นควายอยู่ด้วยกันเป็นหมู่โอไม่นะ เราจะโจมตีพวกมันได้ยังไงที่อยู่ด้วยกันแบบนี้ช่างมันลองหมายพรุ่งนี้ก็ไดนะ้วันหนึ่งควายสี่ตัวได้วางแผนกันนี่ฟังนะฉันได้ยินว่ามีทุ่งยาอีกทุ่งที่อร่อยกว่ามากทําไมวันนี้เราไม่ไปกินที่นั่นซะล่ะฮะดีไหมโอเคได้เลยเราต้องไปแล้วมโมคุยอะไรกันอยู่ไปกันเถอะ โอ้ย่าสีเขียวน้ำลายสอมากเลยดูเจอวนนั่นสิเมื่อไรเขาจะเลิกคิอาหารเนี่ยแล้วทุกตัวก็ไปที่ทุ่งหญ้าใหม่ด้วยกันเมื่อพวกมันเดินไปถึงก็มีจิ้งจอกเห็นพวกมันจิ้งจอกกลัวก็เลยรีบหนีไปแต่พวกควายไม่เห็นอะไรทั้งนั้นพวกมันเดินกันอย่างมีความสุข หลังจากนั้นพวกมันก็ไปถึงทุ่งหญ้าพวกมันหิวมากแล้วเริ่มกินควายตัวหนึ่งพูดว่าเอางี้นะใหอ้อ้อ้วนยืนตรงนี้แล้วดูเรากินดีกว่าไม่แฟเลยทำไมฉันต้องยืนดูนะ่ะฉันหิวนะนายกินนานกว่าคนอื่นน่ะให้เรากินเสร็จแล้วนายค่อยกินเข้าใจไหมฉันไม่ใช่คนใช้พวกนายนะ ฉันจะไม่รอฉันจะกินด้วยก็ใช่นะให้เขารอมันไม่แฟรเราหิวกันหมดนั่นแหละก็เหลือแล้วทำไมนายไม่รอคิดว่าอะไรแต่จะสั่งเราแบบนี้มันไม่ได้นะถ้านายไม่ชอบนายก็ไปเลยนายก็สั่งฉันเหมือนกันใช่ใช่นายก็สั่งเราเหมือนกันได้งั้นฉันไปเองฉันอะไม่ต้องการใครแล้วใช่ฉันก็อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องการใคร มันก็อยู่คนเดียวได้พวกนายไปกันให้หมดเลยไปเลยทุกตัวแตกกันและโกรธกันมากพวกมันไม่รู้ว่าเสือได้ตามพวกมันไปแต่และ ว, วันเสือหวังว่าพวกควายพวกนี้จะทะเลาะกันตลอดทางเพื่อที่มันจะได้มีโอกาสเข้าไปโจมตีควายได้มันแอบซ่อนและพอใจมากที่พวกมันทะเลาะกันไม่อยากจะเชื่อเลย วันนี้เราจะได้โจมตีพวกมันทีละตัวทีละตัวว้าวว้าวเพื่อนทั้งสี่ก็เดินหนีออกจากกันเสือได้ตามไปและกระโดดล่าทีละตัวทีละตัวมันฆ่าและกินควายทุกๆุกตัวตอนที่พวกมันอยู่ด้วยกันสี่ตัวไม่มีใครกล้าทำร้ายทำอะไรพวกมันได้ แต่ทันทีที่พวกมันทะเลาะ ก, กันพวกมันกลับต้องเสียชีวิตอย่างที่คํากล่าวบอกว่าสามัคคีคือพลังเด็กๆจ้าเพราะอย่างนี้แล้วเราจะต้องสามัคคีกันเอาไว้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าเราอยู่ด้วยกันก็จะไม่มีอะไรทำอะไรเราได้จ้ะเราจะต้องชนะเสมอใช่นางฟ้าใช่เลย เมื่อวานนายทะเละกับจันนี่นี่ตอนนี้เขาได้เป็นกัปตันทีมฟุตบอลน่ะใช่แต่ว่าฉันจะไปขอโทษเขานะเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะได้ชนะไงใช่ถูกต้องแล้วจ้ะเพราะว่าสามีือ